ในการปฏิบัติจริงนั้นการจะทำหน้าที่ได้ถูกต้องต้องอาศัยความรู้หรือญาณการรู้กิจในอริยสัจเรียกว่ากิจญาณเมื่อเอาญาณมาเชื่อมยโยงอริยสัจแต่และข้อเข้ากับกิจของมันก็จะเห็นเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวิธีการสำหรับแก้ปัญหาได้ทุกระดับดังนี้ 1. กิจญาณในทุก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 รู้ว่าสมุททยพึงปะหานะคือรู้สิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งจะต้องกำจัดเสียถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นสืบคน้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกำจัดให้หมดสิ้นไปสกิจยานในนิโรธรู้ว่านิโรธพึงสัจจกิริยาคือรู้ภาวะดับทุกข์ซึ่งจะต้องทาให้ประจักษ์แจ้งถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ ขั้นเล็งรู้ภาวะหมดปัญหาที่เอาเป็นจุดหมายให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้และจุดหมายนั้นควรเข้าถึงซึ่งจะต้องทำให้สำเร็จโดยรู้เข้าใจอยู่ว่าการเข้าถึงจุดหมายนั้นจะสำเร็จหรือเป็นไปได้อย่างไร 4. กิจยานในมัก ร, รู้ว่ามักรึงภาวนาคือรู้มักรคาคือข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกข์ ซึ่งจะต้องฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาจเจริญเดินหน้าไปถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่ขั้นกำหนดวางหรือรับทราบวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหลายในการแก้ไขกาจัดสาเหตุของปัญหานั้นซึ่งจะต้องลงมือปฏิบัติหรือดำเนินการต่อไปพูดให้ง่ายคือรู้ว่าทุก์หรือปัญหาของเราคืออะไรทุกนั้นเกิดจากอะไรเราต้องการ หรือพึงต้องการผลสำเร็จอะไรและจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะต้องทำอะไรบ้างกิจยานนี้เป็นอย่างหนึ่งในยานสาที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับวัดความตรัสรู้กล่าวคือเมื่อได้รู้อริยสัจสี่แต่และอย่างด้วยยานครบทั้งสรวมทั้งหมดเป็นส2องรายการแล้วเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่ารู้อริยสัจหรือเป็นผู้ตรัสรู้แล้ว ยานสามนั้นเรียกชื่อเต็มว่าญานทัศนะอันมีปริวัติสามหรือปริวัติสามแห่งยานทัศนะหมายถึงการอย่างรู้ยังเห็นครบสามรอบกล่าวคือยานที่หนึ่งสัจจยานยังรู้สัจจะคือความยังรู้อริยสัจสี่แต่และอย่างตามที่เป็นที่เป็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขณนิโรธ นี้ทุกข์นีโรธขาไมินีปฏิปทาหรือว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้เหตุแห่งทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ภาวะดับทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ทางแก้ไขดับทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้สัตยานในอริยสัจครบสี่ข้อก็เป็นอันครบหนึ่งรอบเป็นปริวัตรหนึ่งยานที่สองกิจจยานอย่างรู้กิจคือความอย่างรู้หน้าที่ที่จะต้องทําต่ออริยสัจสี่แต่ละอย่างว่า ทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละเสียเป็นต้นดังได้อธิบายแล้วกิจยานในอริยสัจครบสี่ข้อก็เป็นอันครบอีกหนึ่งรอบเป็นอีกปริวัตรหนึ่งยานที่สกตยานยังรู้การอันทำแล้วคือความอย่างรู้ว่ากิจอันจะต้องทำในอริยสัจส์่แต่ละอย่างนั้นได้ทำเสร็จแล้วคือรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้ ก็ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยควรละก็ได้ละแล้วนิโรธควรทําให้แจ้งก็ได้ประจักษ์แจ้งแล้วมรรคควรปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วกัตยานในอริยสัจครบสี่ข้อก็เป็นอันครบอีกหนึ่งรอบเป็นอีกปริวัตรหนึ่งโด ย, น, ย, น, ย น, นี้นี้ญาณสามนั้นก็เป็นไปในอริยสัจสี่ญาณละหนึ่งรอบจึงรวมเป็นสามรอบ หรือสปริวัตรเรียกเต็มว่าญาณทัศน์มีปริวัตรสเมื่อแจงนับอย่างละเอียดปริวัตรหรือวนรอบสามนี้แต่ละรอบก็คือเป็นไปในอริยสัจสี่ครบทุกข้อจึงรวมเป็นสิองรายการเรียกเป็นคําศัพท์ว่ามีอาการ12จึงพูดให้เต็มว่าญาณทัศน์มีปริวัตรสมีอาการสิสอง พระพุทธเจ้าทรงมีญาทัศนาตามเป็นจริงในอริยสัจสีครบปริวัติ3มีอาการ12คือได้ความรู้แจ้งครบ12รายการแล้วจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วหลักยาณทัศนามีอาการ12หรือความรู้ครบ12รายการนี้ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความสําเร็จในการปฏิบัติการแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง เขียนออกมาเป็นยานทัศนะมีปริวัติ3มีอาการ12ตามรายการดังต่อไปนี้ปริวัติที่1สัจญาน4ีอาการได้แก่ 1. ทุกคือดังนี้ 2. สมุทัยคือดังนี้ 3. ามนิโรธคือดังนี้ 4. มักคือดังนี้ปริวัติที่2กิจยานสี่อาการ นับต่อจากปริวัตรที่หนึ่งได้แก่ 5. ทุกนี้ควรกำหนดรู้ 6. สมุไทยนี้ควรละเสีย 7. นิโรดนี้ควรทำให้แจ้ง 8. มรคนี้ควรปฏิบัติ 3. ปริวัตรที่3กัตายานสีอาการนับต่อจากปริวัตรที่หนึ่งและปริวัตรที่สองได้แก่ 9. ทุกนี้ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทยนี้ได้ละแล้ว11เนิโรดนี้ได้ประจากแจ้งแล้ว12มักนี้ได้ปฏิบัติแล้วเขียนให้ดูง่ายอีกแบบหนึ่งดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่17ทับ2ประกอบด้วยซึ่งแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ยาน3ในอริยสัจ4ยานที่1สัจญาณในทุก รู้ว่าทุกข์คือดังนี้เท่ากับรู้ว่าปัญหาคืออะไรตัวปัญหาอยู่ที่ไหนสัจญาในสมุทัยรู้ว่าสมุทัยคือดังนี้คือรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เท่ากับรู้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรสัจญาในนิโรธรู้ว่านิโรธคือดังนี้คือรู้ว่านิพพานเป็นภาวะดับทุกข์เท่ากับรู้ว่า ภาวะหมดปัญหาที่ต้องการคืออะไรตนต้องการหรือควรต้องการอะไรศัจตยานในมัค ร, รู้ว่ามัคคือดังนี้คือรู้ว่ามัคมีองแปดเป็นทางดับทุกเท่ากับรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรยานที่สองกิจยานในทุกรู้ว่าทุกนี้ควรกาหนดรู้เท่ากับรู้ว่า ปัญหานี้ต้องเข้าใจสภาพและขอบเขตเป็นต้นของมันกิจยาในสมุทยัยรู้ว่าสมุทัยนี้ควรละเสียคือรู้ว่าตัญหาต้องละเสียเท่ากับรู้ว่าจะต้องแก้ไขที่สาเหตุนั้นกิจยาในนิโรธรู้ว่านิโรธควรทําให้แจ้งคือรู้ว่านิพานควรบรรลุเท่ากับรู้ว่าภาวะนั้นเป็นจุดหมายที่ต้องไปให้ถึงกิจยาในมร รู้ว่ามักควรเจริญคือรู้ว่ามักมีองค์แปดควรปฏิบัติเท่ากับรู้ว่าวิธีการนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติหรือจัดดำเนินการอย่างที่สกตตยานในทุกรู้ว่าทุกนี้กำหนดรู้แล้วเท่ากับรู้ว่าได้เข้าใจสภาพและขอบเขตของปัญหาแล้วกัตายานในสมุทัยรู้ว่าสมุทัยนี้ได้ละแล้ว คือรู้ว่าตัญหาได้ละแล้วเท่ากับรู้ว่าสาเหตุนั้นได้แก้ไขกำจัดแล้วกัตยานในนิโรธรู้ว่านิโรดนี้ได้ประจักษ์แจ้งแล้วคือรู้ว่านิพพานได้บรรลุแล้วเท่ากับรู้ว่าได้บรรลุจุดหมายนั้นแล้วกตยาในมรรครู้ว่ า, ามรรคนี้ได้เจริญแล้วคือรู้ว่าได้ปฏิบัติตามมรรคแล้วเท่ากับรู้ว่า ได้ปฏิบัติตามวิธีการนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว